สามสิบเจ็ดอสตดชวิดเมติระหว่างเดินทางกาซาชิกาซาชิเขาขับรถจักรยานยนต์อิสมตรไซคลิตมกซาวรุส <associations> อิสมอตคลิตมกซาวรอปส์เขาขี่จักรยานอิสเวลปติตาดิสอิสเวลลสปติตาดิสเขาเดินอิสเิดาดิสอิสเพิดตาดิสเขาไปโดยเรือใหญ่ อิสเขมากโรปส์อิสเมกโรปส์เขาไปโดยเรืออิสนาวิมาโรปส์อิสนาวิมาโรปส์เขาว่ายน้ำอิสชูราสอิสชูรสที่นี่อันตรายไหมคะ อักซาชิช <imas> <eds> ียอักซาชิชยการโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะซาชิชียมาร์โตวินเมสไกซาโซาชิชยมาร์โตวินเมสไกซาโมันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนซาชิชียกามิตเซยรโนบะ ซาชิชยะเซร์นบะเราหลงทางวนกซาอากเวนาเวนกซาอากเวนาเรามาผิดทางวนอาราสตอริกซิมิวดวาร์ ว, รวนอาราสอริกซิมิวดวาร์เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม อด า, ดารุงุ่นตาาวปรุเด็ดจอดรถได้ที่ไหนคะสัตสลบกัมกมคิกชเรบ a สัลบกักมังคกเชเรบัที่นี่มีที่จอดรถไหมคะอริสักอัตสัตโก i อาริสักอัตสัตโกมี ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะ r a m d hans k a c h e r a d hans b a k a c r e b a คุณเล่นสกีไหมคะ Sria l r e b คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ เซมุดซาบากิโรติอาติฮาร์ตเซมุดซาบากิโรติอาติฮาร์ตที่น uh <mythology> ี่มีสกีให้เช่าไหมคะเชิดเลยปะอักทิลาโมเรบิสตาคิราเวบะเชิดเลยปอักทิลาโมเรบิสาคราเวบ